อย่าพูดคำนี้กับกูย่างนี้นะนักเลงแบบเฮียสายนักเลง้วกูเดินมาเยอะแล้วรู้หลังกูสั่งอะไรเนี่ยยืมเงิ น, นกทูทำไมนะเฮย